การประชุมออนไลน์ครั้งที่12ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10เรื่อง HIV เอชและสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิกอันเนื่องในโอกาสวันเอชโลกและช่วงเวลา16วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ วันเอดโลกหรือ World Aids Day นั้นโดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดและเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชือ้อ สำหรับประเทศไทยนั้นสภากาชาติไทยได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์เนื่องในวันเอดโลกปีพศ2563ว่าเอดอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตาซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของ u n a อ d หรือโครงการเอดแห่งสหประชาชาติว่า g o ลโบ่โ i ลิด i ริตี้แชร์ Responsibility ซึ่งหมายความว่า การสมัครสมาน ร, รวมพลังร่วมรับผิดชอบโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดรวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาเอดและให้ความสำคัญในการร่วมมือป้องกันแก้ปัญหารวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติและลดการตีตา ลดการรังเกยียจกีดการผู้ติดเชื้อด้วย UN Women หรือองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่25พฤศจิกายนถึง10ทธันวาคมเป็นช่วงเวลา16วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ หรือ16 days of activism against gender-based violence โดยมีเป้าหมายหลักคือการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อผลักดันให้ผู้หญิงกล้าออกมาพูดเกี่ยวกับการถูกกระทาความรุนแรงมากขึ้นโดย UN Women ออกแคมเปญในประเทศไทยชื่อเฮียมีทู่หรือมีอะไรจะบอก เพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยและรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงผลักดันให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทยโดยใช้สีส้มเป็นสั ญ, ญลักษณ์ในการรณรงค์ซึ่งเป้าหมายหลักคือเพื่อสนับสนุนความกล้าที่จะลุกขึ้นแบ่งปันเรื่องราว การถูกกระทาความรุนแรงในผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเองหรือคนใกล้ตัวผ่านมุมมองที่จะช่วยให้เธอเหล่านั้นก้าวผ่านเรื่องเลวร้ายในอดีตมาได้และเป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงคนอื่นๆกล้าที่จะยืนหยัดในสิทธิของตนเองเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย อาร์มอนมอร์ฟีผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ u n a อ d นนำเสนอว่าในประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิกนั้นมีแนวโน้มในการติดเชื้อ HIV รายใหม่และการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดแตกต่างกันอย่างมากซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีพศส5 5 3ถึง2562 ในภูมิภาคโดยรวมเท่ากับลบเซแต่ยังมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประเทศเช่นประเทศฟิลิปปินส์สซและประเทศสิงคโปร์ลบซโดยมี12ประเทศที่ลดลงและ7ประเทศที่เพิ่มขึ้นซึ่งในภูมิภาคโดยรวมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดอยู่ที่ลบย่เอร์เซต์ โดยมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันคือจากประเทศปากีสถาน405เปอร์เซน์ถึงประเทศอินเดียลบ66เซในปีพศ2562มีผู้ติดเชื้อเ i v ไวรายใหม่98เซที่อยู่ในกลุ่มประชากรหลักและคู่โดยมีกลุ่มชายลักชาย44เอร์เซ์ลูกค้าของพนักงานบริการ และคู่ของประชากรหลัก 21% ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด 17% พนักงานบริการ 9% คนข้ามเพศ 7% และประชากรที่เหลือ 2% โดยกลุ่มคนที่มีอายุ 15-24 ปีที่มีตัวเลขสอดคล้องกัน 52% 19% 10% 10% และ 1% ตามลำดับซึ่งโดยรวมนั้น 99% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้อยู่ในกลุ่มประชากรหลักและคู่ของพวกเขาในปีพศ2563 UNAID มีเป้าหมายที่90 90 90, 90โดย90แรกคือ 90% ของผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยหมายถึงคนที่ติดเชื้อ100คนต้องรู้ว่าตัวเองติดเชื้อ90คน9 0ที่สองคือ 90% เอร์เซนของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหมายถึงคนที่ติดเชื้อ90ิคนต้องได้รับยา90สุดท้ายคือ 90% อร์เซน์ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านกดไวรัสสำเร็จหมายถึงคนที่ได้รับยา90คนต้องกดไวรัสสำเร็จซึ่งปีพศส2งพในเอเชียและแปซิฟิกมีเป้าหมายที่ 90, 81, 73โดยในกลุ่มเด็ก 72, 65, 54 ในกลุ่มผู้หญิง 78, 64,59 แหิและในกลุ่มผู้ชาย73 57 52ซึ่งประเทศที่ประสบความสาเร็จคือประเทศออสเตรเลียที่บรรลุเป้าหมายทั้ง3 ส, ส่วนประเทศนิวซีแลนด์บรรลุเป้าหมายที่สสุดท้ายประเทศกัมพูชาและประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่สองและ3 ประเทศกัมพูชาได้ทำการสำรวจผู้มีเชื้อเ i v ไวระดับประเทศพบว่าไม่สามารถเข้าถึงการบริการคุมกาเนิดได้ 37% และไม่สามารถรับถุงยางอนามัยได้ 22% ซึ่งบางรายไม่สามารถเข้าถึงยาสําหรับการติดเชื้อของโรคฉวยโอกาสและจากการสำรวจประชากรหลักพบว่า ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น19ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์35ซไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเพล53เและขาดข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต50เเซนต์ ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศส่งผลให้สุขภาพแย่ลงอันเนื่องจากผู้คนอาจหลีกเลี่ยงการเข้าถึงการบริการด้านการดูแลสุขภาพเพราะกลัวการถูกจับกลุ่มหรือความรุนแรงในประเทศพมา่า ฟิลิปปินส์และเวียดนามหญิงข้ามเพศรายงานว่ามีปัญหาความล่าช้าในการเข้าถึงการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนก้าวต่อไปนั้นควรพิจารณาเรื่องสำรวจวิธีอื่นๆในการให้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวินิจฉัยและการจัดการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการบำบัดด้วยฮอร์โมนสำหรับคนข้ามเพศขยายความพร้อมในการบริการของการป้องกัน h i ชวและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านร้านขายยาร้านขายยาออนไลน์และร้านค้าอื่นๆส่งเสริมทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมและร้านขายถุงยางอนามัยแบบใหม่เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงของทุกคนโดยเฉพาะ พนัก ง, งานบริการและกลุ่มประชากรหลักอื่นๆสำรินชาบาทจากองค์กร a s เชีย c i f i c Transgender Network หรือ APTN ได้นำเสนอเรื่องการทำความเข้าใจและการจัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพของคนข้ามเพศและการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศและคนหลากหลายทางเพศในประเทศอินโดนีเซียเนปาล ไทยและเวียดนามโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำการวิจัยที่นำโดยชุมชนสำหรับในด้านอุปสรรคของการเข้าถึงเ i ชวและการบริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆรวมถึงสุขภาพทางเพศและการดูแลสุขภาพทั่วไปสำหรับคนข้ามเพศในประเทศอินโดนีเซียเนปาลไทยและเวียดนาม 2. กำหนดวิธีขจัดอุปสรรคเหล่านี้ผ่านการเสริมพลังของชุมชนวิธีการดำเนินการเป็นการวิจัยเพื่อท้องถิน่นโดยเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและการสนทนากลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน250คนในแต่ละประเทศผลการวิจัยที่สำคัญด้านสุขภาพทางเพศและ h i ชวได้แก่ คนข้ามเพศส่วนใหญ่ทั่วทุกประเทศมีความตระหนักถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ h i ชซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชวมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยและเกือบทุกคนได้รับยาต้านแล้วพนักงานบริการมีแนวโน้มที่จะได้รับการทดสอบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในทั้ง3ประเทศ ยกเว้นประเทศเวียดนามซึ่งองค์กรชุมชนเป็นสถานที่ในการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงข้ามเพศได้มีการทดสอบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ h i ชวสูงกว่าเมื่อเทียบกับชายข้ามเพศแต่ในประเทศเวียดนามมีชายข้ามเพศได้ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นจำนวนมากขึ้น การใช้วิธีการรักษาเชิงป้องกันและวิธีการป้องกันโรคเช่นการใช้เปบและเรลปอยู่ในระดับต่ำทั้งสี่ประเทศสถานะของเ i ชอวอาจมีผลต่อผู้ป่วยข้ามเพศที่อาจจะถูกปฏิเสธการรักษาซึ่งผู้มีเชื้อเ i ชวในประเทศเนปาลและอินโดนีเซียบอกว่าพวกเขาประสบกับความเครียด ของการเลือกปฏิบัติต่อการเป็นคนข้ามเพศและผู้มีเชื้อ HIV การถูกเลือกปฏิบัติในการบริการด้าน HIV ทำให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยทั่วไปในประเทศเนปาลและอินโดนีเซียล่าช้าแต่ไม่ใช่ในประเทศไทยหรือเวียดนามผลการวิจัยที่สำคัญที่เกิดช่องว่างได้แก่ สิทธิด้านสุขภาพของคนข้ามเพศถูกทำลายในทั่วภูมิภาคเนื่องจากมีช่องว่างในการให้บริการการเลือกปฏิบัติและอุปสรรคที่ยากต่อการเข้าถึงปัญหาและการยอมรับเนื่องจากขาดคำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับคนข้ามเพศการตีตาและการเลือกปฏิบัติ ได้จำกัดการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพทั่วไปของคนข้ามเพศซึ่งคนข้ามเพศที่มีเชื้อ HIV จะถูกตีตาสองครั้งจากสถานะ HIV และอัตลักษณ์ทางเพศคนข้ามเพศต้องการบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต มีช่องว่างในบริการด้านสุขภาพทางเพศรวมถึงบริการป้องกันและรักษาเ i ชวสำหรับหญิงข้ามเพศแต่ไม่มีสำหรับชายข้ามเพศด้านคำแนะนำนั้นได้มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณาสุขนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และองค์กรชุมชนที่ต้องดำเนินการได้แก่ 1. จัดการกับการเลือกปฏิบัติและปรับปรุงการบริการด้านการดูแลสุขภาพต่อคนข้ามเพศ 2. ระบุ ข, ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของคนข้ามเพศ 3. คนข้ามเพศสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้อย่างเท่าเทียม 4. คนข้ามเพศเข้าถึงบริการ HIV และสุขภาพทางเพศอย่างเท่าเทียม 5. ปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลเรื่องเพศสภาพของคนข้ามเพศ โดยประเทศไทยเองได้ทำการสำรวจ IBS IB หรือระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ในปีพศ2561พบว่ากลุ่มประชากรหลักต้องพบปัญหาการถูกตีตาและการเลือกปฏิบัติ โดยครอบครัวสถานที่ทำงานสถานศึกษาสถานบริการสุขภาพโดยกลุ่มหญิงข้ามเพศพบปัญหามากที่สุดในสถานที่ทำงานสถานศึกษาร้อยละ 12.11 ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายร้อยละ 4.99 และในการรับบริการด้านสุขภาพ โดยพบว่าพนักงานบริการชายตัดสินใจไปเข้ารับบริการสุขภาพล่าช้าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาสูงถึงร้อยละ 4.71 รองลงมาคือกลุ่มหญิงข้ามเพศร้อยละ 4.39 ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายร้อยละ 3.28 การตีตาตนเองมากที่สุดร้อยละ 14.14 14. ในพนัก ง, งานบริการชายรองลงมาในชายมีเพศสัมพันธ์กับชายร้อยละ 14.27 และกลุ่มหญิงข้ามเพศร้อยละ9ซึ่งมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดหรือกระทําความรุนแรงทางเพศสูงถึงร้อยละ 8.99 ในกลุ่มหญิงข้ามเพศรองลงมาคือชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการชายและพนักงานบริการหญิงร้อยละ 7.39 7.12 และ 5.60 ตามลำดับวาลุนีคาเตมีรายงาน